ะจะเจริญสุขญาติโยมสาธุชนได้มาฟังธรรมกันวันนี้แล <c oughs> ้วก็ทัพาก็จะได้นำพระธรรมคำสอนพูุ้ทธเจ้ามาแสดงห <c oughs> นาทีนี้ <c oughs> ก็เคยมาครั้งที่สองครั้งนี้ <c oughs> การที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็เพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์อะไรคือทุกข์ของเราทุกข์ของเราก็คือว่าความคิดความปรุงแต่งอารมณ์ของจิตนั่นเองคือความทุกข์ทีนี้ว่าพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเดิมแท้จิตเราเนี่ยไม่มีอะไรแต่ตอนหลังมีอะไรขึ้นมาก็คืออารมณ์นั่นเอง นี่เราก็คงไม่ต้องรู้หรอกว่ามันมีมาเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะแต่มีแล้วเป็นแล้วนี่เราจะทำอย่างไรดีฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าคนหลายคนเคยมาฝึกสมาธิที่เราทาใจให้นิ่งเนี่ยเราสังเกตว่าเวลาจิตที่นิ่งได้เนี่ยมันมีความสุขมาเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอารมณ์นั้นนี่ยทุกข์ที่สุดของคนเราเมื่อก่อนเราไม่เคยทำสมาธิเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า จิตเราทุกอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาเดียวกันมาตลอดตั้งแต่เกิดเมื่อวันหนึ่งวันใดเนี่ยเรามาฝึกสมาธิเป็นสมาธิพื้นฐานที่เรามาฝึกกันก็คือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงจิตให้ตั้งมั่นที่เรามาฝึกกันหลายๆครั้งกับครูบาอาจารย์ต่างๆกว่าจะให้จิตเราสงบก็ต่อสู้กับอารมณ์ลมมากมายบางครั้งก็แพ้บางครั้งก็พอได้อยู่บ้าง ความสงบนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนมากแล้วคอยจะแพ้อยู่เลยนะเพราะว่าเขายิ่งใหญ่เราเนี้ยเหมือนกับหนูสู้กับช้างมันตัวเล็กเราก็ทําก็อ่อนแออยู่แล้วก็เลยว่าทําอย่างทุลักทุเลแต่เมื่อเราเกิดความเป็นสมาธิเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าคุ้มค่าว่าความสความสงบนั้นเกิดจากจิตที่สงบจริงๆความสุขก็หลั่งไหลออกจากตัวมันเองความจริงแล้วเนี่ยความสุขเนี่ย เราไม่ต้องวิ่งหาแม้แต่ให้จิตเนี่ยออเไปหาอะไรกันแล้วแต่มันเป็นความสุขข้างนอกเขาเรียกว่าความสุขอิงอาศัยอ่าถ้าเกิดว่าความสุขอิงอาศัยเนี่ยมียทําให้ความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขที่ไม่สงบเช่นว่าตาอาศัยรูปหูอาศัยเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์เป็นต้นความสุขเหล่านั้นก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มี แต่ความสุขเหล่านี้ก็คือความสุขของโลกที่ทั่วทไปนี้เองเขาเรียกว่ากามาสุขหรือความสุขของโลกแล้วความสุขชนิดนี้เนี่ยเราวิ่งหามาเยอะแล้วเขาเรียกว่าความสุขอิงอาศัยอิงอาศัยกันถึงเกิดขึ้นหญิงเอออาศัยชายชายอาศัยหญิงหรือว่าตาอาศัยรูปหูยินเสียงทํานองนั้นตอนหลังมาเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัย ตัวมันเองหยุดแค่นั้นเองความสุขก็จะเลเกิดในตัวมันเองขึ้นมาแค่มันหยุดเมื่อไหร่เนี่ยความสุขก็จะไหลออกหลังไหลออกจากตัวมันเองแต่ที่ผ่านมาจิตเราไม่เคยหยุดเลยเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ความสุขอันนั้นว่ามันมีอยู่ในตัวของมันเองนั่นเองเราก็เลยไม่รู้ว่ามีก็เลยไปแสวงหาความสุขข้างนอกกันก็คือตาเห็นรูปหมูดินเสียงกันมานมนานแล้ว แท้จริงตัวของมันก็มีความสุขในตัวมันเองเพียงแต่ให้มันหยุดเท่านั้นเองความสุขนั้นก็จะปรากฏให้เห็นทีนี้เมื่อเรามาฝึกสมาธิอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสมาธิพื้นฐานที่ประทุกคนจะต้องมาเรียนรู้ตรงนั้นก่อนเมื่อเราฝึกไปอย่างทุลักทุเลเเออสมาธิก็เกิดขึ้นได้บ้างถึงแม้จะไม่มากไม่หมายอะไรเราก็รู้เลยว่าจิตหยุดนั้นมีความสุขมากทีนี้เมื่อจิตหยุดแล้วเนี่ย จิตก็มีเวลาจํากัดของเขาหยุดแล้วก็ไม่ใช่ว่าหยุดเลยหยุดชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ชั่วขณะชั่วยามเท่านั้นเองก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะหยุดยัง้งไปทั้งทั้งทั้งบทก็หาไม่ทีนี้เมื่อจิตเนะ่ยหยุดด้วยอํานาจของการเป็นสมาธิเพียงเล็กๆ น, น้อยๆนั่นแนหะเราก็รู้ว่าสุขจริงแต่ว่าไม่เนิ่นนานเกินพอที่จะเยียวยาชีวิตของเราให้เป็นไปโดยมากแล้วเนี่ยจิตเรา เป็นจิตที่อยู่ในอารมณ์มากกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือจิตเราสงบแค่ห้าเปอร์เซ็นก็เยอะแล้วสัาหรับวันหนึ่งต่ อ, อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยต่อวันนี้ก็ห้าปอร์ซ็นสิบเปอร์เซ็นก็เยอะแยะไปหมดแล้วระหว่างเก้าสิบเปอร์เซนหรือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนั้นไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อารมณ์ต่อไปอีกฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่ยังไม่เคยผ่านสมาธิคนนั้นก็มีแต่อารมณ์ คนที่เคยผ่านสมาธิบ้างแล้วหลังจากออกสมาธิก็ยังไม่พ้นอารมณ์อยู่ดีสมาธินี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากออกสมาธิแล้วก็กลับไปสู่ความเป็นดั้งเดิมของเราก็คือความเป็นโลกของเราอีกท่านจึงจัดว่าสมาธิโลกนะโลกีทีนี้ว่าหลายคนก็ฝึกมาฝึกมาก็เป็นสภาพนี้ก็คือออกมาสมาธิแล้วก็เหมือนเดิม จิตก็มีเหมือนเดิมมีกิเลสเหมือนเดิมสมาธินั้นก็เล็กน้อยเหลือเกินแล้วอยู่ๆดีๆวันหลังก็หายซะอีกหาไม่เจอเลยทำไม่เกิดอีกละเดี๋ยวพุ๊บเดี๋ยวโพก็ เ, เรียกเสื่อมได้เกิดได้ <c oughs> แล้วก็หลายคนคิดว่าเราจะพัฒนาสมาธิอย่างนี้เนะี่ยให้มันมากๆๆๆๆจนเป็นว่าความสงบนั้นเต็มร้อยเลยบริบูรณ์เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ คิดทุกคนก็เคยคิดอย่างนั้นแม้แต่มาเองก็เคยคิดว่าทาให้มากมากมากมากไปแล้วให้มันกบกืนพื้นที่ให้หมดเลยให้มันมันเหมือนแต่ความสงบเป็นไ ป, นปนไม่ได้เป็นไปได้ยังไงก็เพราะว่าตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยเราเข้าไปสมาธิมันมีคาว่าเข้าและออกเข้าไปปุ๊บเนี่ย <c oughs> เราสงบจริง แต่เมื่อออกมาเนี่ยมันไม่สงบตอนที่เราออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็เรียกร้องว่าสมาธิช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะว่าขณะที่ออกมาเนี่ยอารมณ์มันรุมใหญ่เลยเราก็เรียกร้องสมาธิสมาธิก็บอกว่าเราไปช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรอำนาจของเรามีเฉพาะที่ไม่สามารถจะมีอำนาจไปทุกที่ทุกแห่งได้เราต้องเข้าใจคํานี้ว่า การทำสมาธิเนี่ย <c oughs> เหมือนเราหนีความร้อนเข้าห้องแอรนะ์ห้องแอร์นั้นมีอยู่กับที่และการเข้าสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าสมาธิมาเข้ามาในจิตนะจิตเข้าไปในสมาธิสมาธิเป็นของตั้งอยู่กับที่เหมือนห้องแอร์ที่ตั้งอยู่กับที่แต่คนที่เข้าออกก็คือตัวเราเองคือจิตเราเองนั่นเอง <c oughs> ทีนี้จิตของเราเนี่ยเข้าสมาธิออกสมาธิเป็นตัวเคลื่อนตัวเป็นตัวเคลื่อนไหวส่วนสมาธิเป็นของอยู่กับที่ทีนี้เหมือนกับเราหลบร้อนเนี่ยเข้ามาในห้องแอร์ออกว่ า, าแล้วก็บอกว่า เ, าเย็นนะดีแต่ใครจะเข้าห้องแอร์ตรงนั้นตลอดชีวิตมันไม่มีหรอกมันจะต้องออกมันจะแทงว่าห้องแอร์นั้นจะต้องเข้าเป็นบางครั้งหรือหนียุงเข้ามุ้งหนียุงเข้ามุ้งแล้วก็คิดว่า มุ้งเนี่ยแก้ปัญหายุงได้แต่ได้ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองและใครจะอยู่ในมุ้งตลอดชีวิตมันไม่มีหรอกมันก็เป็นการบางเวลาเท่านั้นเองที่จะเข้าไปจุกนั้นทีนี้เมื่อเราออกจากห้องแอร์ก็ดีออกมุ้งก็ดียุงก็หลุมความร้อนก็หลุมก็บอกว่าห้องแอร์ช่วยด้วยห้องแอร์บอกว่าเราช่วยคุณไม่ได้หรอกคุณต้องช่วยตัวเองถ้าเราจะให้ช่วย ว่าคุณก็ต้องหามาหาเราสิอ่าไม่ใช่เราไปหาคุณมุ้งก็บอกว่าถ้าคุณจะให้ช่วยก็คุณก็เข้ามุงสิเราเป็นของอยู่กับที่คุณน่ยเป็นของเคลื่อนไหวฉะนั้นเท่ากับกว่าเราจะเห็นว่าอํานาจของสมาธิเนี่ยมันอยู่กับที่เมื่อเราออกมาก็ถูโดนอาุมหลุมก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ออกไม่ได้เลยก็ใครจะไม่ออกในมุ้งเลยเหรือใครจะไม่ออกห้องแอร์เลย เ, ลเวลาอื่นที่เราจะต้อง ไปเนี่ยมันเยอะกว่าไปเข้าตรงนั้นนะมันไม่มากหรอกฉะนั้นเราก็คิดว่าทำยังไงอาชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยโดยรวมเนี่ยเราอยากจะให้สงบไปทุกที่เหมือนกับว่าเย็นไปหมดเลยลยุงก็ไม่มีทักที่เนี่ยต้องการให้ความสงบของเราในร้อยเปอร์เซ็นบางันเถ อ, อะเนาะแต่สมาธิของเราเนี่ยห้าเอร์เซ็นเองมันไม่เพียงพอซึ่งเทียบกับพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ พระอรหันต์ท่านสงบร้อยเอร์เซนแต่เราเนี่ยสงบอย่างนี้แล้วเราเองก็จะพัฒนาสมาธิของเราเนี่ยให้ไปสู่ความเป็นอย่างนี้ของอย่างนั้นของพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นไม่ได้ก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ได้ลนะ่ะแล้วมีช่องทางอื่นไหมก็มีอยู่ว่า <c oughs> มีไม่ใช่ไม่มีนะท่านท่านก็บอกว่าทางนี้มีอยู่แล้ว ทีนี้เราไม่รู้จักทางแล้วก็ทางที่เราทําอยู่นี่ยทางเส้นนั้นน่ะตันเหมือนเราวิ่งรถไปแล้วถนนตันเน่ะถามว่าตันแล้วจะไปได้ไหมมันก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องกลับทางเดิมเมื่อกลับทางเดิมก็ต้องาหาทางเส้นใหม่ไปนะทางเส้นใหม่ไปอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราฝึกสมาธิแล้วนิ่งเข้าไปแล้วมันตันอยู่แค่นั้นออกมาก็ไม่สงบแล้วนะ เราจะทุลังไปไม่ได้เพราะมันตันทางเส้นนั้นมีแค่นั้นเองทีนี้ทางเส้นอื่นเนี่ยยังมีอยู่ไหมมีทางนั้นก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองทางสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่ทางเส้นเก่าที่เราไปนั้นมันคนละเส้นฉะนั้นนักปฏิบัติถึงได้ว่าไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้นะไม่ค่อยเข้าใจพูดเจ้าเนี่ยมีสมาธิมานาน ขอเล่าหน่อยว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีตั้งแต่ถ้าใครอ่านพุทธประวัติเนี่ยก็จะเห็นว่าตั้งแต่เป็นสุเมธาดาบดพุทธเจ้าเราเป็นสุเมธาดาวดลเนี่ยเหาะมาบน ท, ท้องฟ้าซึ่งท่านมีอภิน ญ, ญามากก็คืออภิญญาห้าซึ่งทําสมาธิสูงสุดถึงจะได้แบบนั้นอภิญญาแบบนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าเราเหาะ อ, อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเห็นพระเจ้าพุทธเจ้าทีปังกรสมมาธิพุทธเจ้าเนี่แล้วก็ลงมา ที่ทําเป็นสะพานทอดเนี่ยที่ลมตมมันเลยเราจะเห็นว่าผู้เจ้าเหาะขนาดนั้นผู้เจ้ายังไม่เป็นผู้เจ้าเลยนะก็คือยังมีกิเลสอยู่นั่นเองขนาดคนเหาะยังมีกิเลสเรายังไม่เหาะเลยกิเลสจะเพียงขนาดไหนเนาะทีนี้ผู้เจ้าเนี่ยก็ยังปรารถนา ว, ว่าจะต้องเป็นผู้เจ้าต่อไปในอนาคตก็คือผู้เจ้าของเราขณะเมื่อผู้เจ้าคนเราในสเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็คือ อ่าสินธาราชกุมารตอนที่เป็นราชกุมารก็ทำสมาธิใต้ ต, ต้นว่าได้ปฐมวชานจนเงาต้นว่านั้นไม่เคลื่อนคล้อยไปตามก็จังความอัศจรรย์ว่ า, าด้วยอนุภาพแต่ยังไงพูดเจ้าเราก็ยังเป็นราชกุมารอยู่ไม่เป็นสัาพสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยต่อมาพูดเจ้าเราออกผนวด รวบรวมให้ฟังว่าก็มาฝึกสมาธิกับอาลารละดาบทก็ได้ถึงโน่นกินจัญญายตนะโน่นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพทธเจ้าก็ทำสมาธิถึงสูงสุดก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ก็เกือบจะสุดก็ความรู้อาจารย์ก็หมดต่อมาก็ถืออทุกดาบทก็เป็นสมาธินโน่นเนวสัญญานาสัญญายตนะ ซึ่งมนุษย์เท่าทำได้สูงสุดก็แค่นั้นพระเจ้าก็ได้สูงสุดแล้วแต่พูะเจ้าก็บอกว่าทางที่ตัดสู้เป็นพุทธะสมาธิพระเจ้ายังไม่ใช่ทางเส้นนี้ยังจะต้องมีทางอื่นอีกหลังจากนั้นพระเจ้าก็มาทรมานถุ ก, กระกิยาคือทรมานระวรกายก็ยังไม่ใช่ทางอีกสุดท้ายก็มาเจอทางทางนั้นก็คืออเยมารมีองแปดก็คือสติปัฏฐานสีนี่อันเดียวกันนะ ก็คือว่าเราไม่รู้แจ้งขันห้านั่นเองาทางเส้นนี้ก็คือทางที่เราไปรู้แจ้งขันห้าแต่ที่เราทําสมาธิมาทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เห็นขันห้าตามเป็นจริงอะไรคือขันห้าล่ะรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณพูดไปแล้วก็คือร่างกายเรานี่เองคือรูปและร่างกายของเราเนี่ยมีสองรูปรูปหนึ่งก็คือรูปหยาบ ก็คือมหาพูทธลูปสี่ก็คือร่างกายเราเนื้อหนังของเราที่จับต้องได้นี่เองก็คือธาตุทั้งสี่คือมหาพูทธลูปสี่สองก็คืออุปาทายรูปก็คือรูปละเอียดที่ซ้อนอยู่รูปหยาบนี้เขาเรียกว่าร่างทิพย์ของเราทุกคนจะมีสองร่างนะเราสังเกตไหมว่าคนคนหนึ่งจะมีสองร่างทุกคนเลยร่างหนึ่งก็คือร่างหยาบที่เราจับต้องได้นี้เนื้อหนังนี้ ล่างละเอียดก็คือล่างใสๆที่ซ้อนอยู่ในตัวเรานั่นแหละที่บอกว่าคนตายปุ๊บเนี่ยตายปุ๊บล่างนี้ตายล่างใสๆก็ออกไปก็ล่างวิญญาณนั่นเองทีนี้คนยังไม่ตายเนี่ยเราจะเห็นล่างนั้นไหมถ้าใครทำสมาธิก็จะเห็นร่างกายแยกเป็นสองล่างจริงแต่ถ้าใครใครไม่ทำสมาธิคืนถึงขนาดนั้นได้เราก็สังเกตตอนที่เราหลับร่างกายจริงในหลับ ร่างกายอีกล่างก็เที่ยวต่อเพราะอะไรร่างกายนั้นไม่ได้ทำงานแต่ร่างกายจริงเนี่ยทำงานมาทั้งวันเงือยหายใครย้อยก็เหนื่อยก็พักแต่ร่างกายอย่างหนึ่งเอย่างร่ากายทริปเน่ยร่างกายทริปร่างกายละเอียดมันไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ทำงานมันก็ออกเที่ยวก็คือความฝันของเรานั่นเองเวลาเราฝันไปเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเหมือนเราไหมดีไม่ดีเสื้อผ้าชุดเดียวกันนิสัยใจคอ เพี้ยเลยไม่ใช่คนอื่นเลยเราแท้ๆเลยไปร่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าร่างทิพย์แสดงว่ากลางวันเนี่ยร่างนี้ทำงานกลางคืนร่างนั้นทำงานต่อกลางวันเป็นคนกลางคืนเป็นผีนั่นเองเราก็ครึ่งผีครึ่งคนน่ะนะแต่ทีนี้เราเป็นปกติเชนจนมองไม่ออกว่ามันเป็นผีเป็นคนก็เลยว่าเห็นคนอื่นเป็นเราก็เป็น ก, ก็เลยเป็นธรรมดาไปแต่เราศึกษาจริงก็คือผี ผีกลางคืนกลางวันก็เป็นคนเปลี่ยนกันเที่ยวกันไปแต่เมื่อเราตายปุ๊บร่างกายหยาบได้ตายร่างกายนั้นก็ใช้งานต่อมันสัมรองอยู่แล้วเหมือนต้นไม้แม่ต้นแม่ตายมเมล็ดมันก็เป็นลูกที่จะจะเป็นต้นใหม่ขึ้นมาแสดงว่าชีวิตเราไม่เคยตายเลยตายคือร่างหยาบตายร่างนั้นก็มีต่อแล้วก็ร่างนั้นก็จะเป็นร่างหยาบต่อไปอีกทีอีกหลังร่างอะไรจะเป็นร่างใดก็ แล้วแต่พบนั้นจะพาไปแสดงว่าชีวิตเราไม่เคยตายที่ตายจริงเนี่ยไม่เคยมีตายแต่ว่าตายปลอมๆตายตายแล้วก็ยังมีอยู่ชีวิตยอยู่อันนี้น่าศึกษาเยอะนะอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยรูปสองรูปเนี่ยเขาเรียกว่ารูปหมดเลยหนึ่งรูปหยาบนี้สองรูปละเอียดที่ซ้อนอยู่ชื่อว่ารูปสองเมื่อมีรูปแล้วมีใจคลองอยู่ใจนั่นก็ทํางานเป็นสี่ อ, อย่างก็คือเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณจิตที่คิดไปเป็นเวทนาหมวดที่ว่าอาคิดไปแล้วเนี่ยหมวดที่ว่ารับรู้ความสุขทุกข์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาสามสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์จิตที่รับรู้นี้เขาเรียกว่าหมวดเวทนาแล้วก็จิตดวงเดียวเนี่ยแยกแจกหน้าที่กันทํางานว่าเมื่อกระทบสัมผัสในสิ่งใดๆผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้งกายใจแล้วเนี่ยแล้วก็เก็บข้อมูลนั้นไว้นะ เราสังเกตไหมว่าตั้แต่เกิดมาเนี่ยเราทําอะไรมันจะจําไม่หมดเลยมคือทําแล้วยังไม่แล้วมันยังจําไม่เป็นข้อมูลตามติดเลยเหมือนกับว่าโนต้ตไปหมดเลยในใจดังนั้นทุกคนทําอะไรมันก็จ ด, จดจดจดจดจดจดไปบันทึกไปเหมือนเป็นแฟ้มนะที่จดในชีวิตประจําวันไปเก่งนะจิตนี่ยนะคิดแล้วมันยังเก็บข้อมูลไว้อีกนะข้อมูลไหนเด่นๆเด่นก็จําได้ถ้ามูลไหนที่มันยังไม่ค่อยเด่นก็บางครั้งก็หลุดลืมได้เหมือนกัน ก็ไม่เป็นไรแล้วข้อมูลใหม่เนี่ยเข้ามาอีกข้อมูลเก่าเขาเรียกเป็นสัญญาข้อมูลใหม่เข้ามาที่จะเก็บเข้ามาใหม่นี้ก็เป็นสังขารและจิตที่รับรู้ทั้งหมดเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวิญญาณฉะนั้นจิตดวงเดียวเนี่ยเราจะสื่อจิตนี้จะสื่อกับโลกด้วยด้วยการเห็นเนี่ยต้องอาศัยตาถ้าจะสื่อสื่อไปทางโลกนียอยากจะฟังเสียงต้องอาศัยหู อาศัยลิ้นอาศัยกายอาศัยใจแต่จิตอย่างเดียวสื่อไม่ได้เหมือนไฟฟ้าของเราเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเป็นเหมือนจิตถ้าอยากจะให้เย็นเข้าไปตู้เย็นถ้าอยากให้ร้อนก็ไปหม้อหุงข้าวบ้างกระทะบ้างเตารีดบ้างอยากจะให้เสียงก็ไปทางเครื่องเสียงอยากจะภาพก็ไปทีวีแต่ไฟเนี่ยไม่มีภาพไม่มีร้อนไม่มีเย็นมันเป็นกลางๆจิตเราก็เหมือนกันเป็นกลางๆแต่จะสื่ออะไรในด้านไหนต้องอาศัยตาหูจมกูกนึกแต่จะสื่อที หมวดเหล่านั้นล่ะเขาเรียกว่าหมวดรับรู้เฉพาะด้านเขาเรียกว่าวิญญาณฉะนั้นคนเรามีวิญญาณหกตาจากักรวิญญาณโสตะขานะชิวหากายะสุดท้ายมนโนวิญญาณเราไม่เห็นสีห้าอย่างนี้เองเขาเรียกวขันห้านี่เองจึงไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ถ้าใครแจ้งในขันหานี้ได้จิตของเราจะถูกทําลายอารมณ์ทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีเลยจิตนั้นจะหลุดพ้นออกมาได้ เรื่องของเรื่องก็คือว่าเราจะทํายังไงให้จิตเราไม่มีอารมณ์นั่นเองเราหวังอว่าจิตไม่มีอารมณ์นั้นคือความสุขที่สุดของเราความสุขนั้นก็คือนิพพ า, านนนิพพานก็คือความสุขที่จิตที่ปราศจากอารมณ์ทั้งสิน้นนั่นเองที่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรานั้นหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งหมด แต่ที่เราทําไปมันหลุดพ้นนิดเดียวเองแป๊บเดียวจิตสงบนิดเดียวออกมาเอาอีกแล้วฮุกเขาอีกแล้วมันไม่ใช่พ้นจริงมันพ้นแบบชิมเนี่ยแต่ไม่อิ่มท้องมันแค่ชิมชิมว่าสงบอย่างนี้นะแต่ก็ไม่อิ่มเลยยังกระหาอยู่นั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมาธินั้นได้แค่นั้นทีนี้เป้าหมายของเราก็คือว่าเราจะทํายังไงให้จิตเราสงบถาวรไปเลยมันจะได้ไม่ยุ่งยากอะไรจิตเราจะได้ไม่ไปไม่มาอะไร นั่งก็ช่างไม่นั่งก็ช่างเข้าสมาธิก็ช่างไม่เข้าก็ช่างขอให้จิตเราสงบเรียบเลยได้ไหมได้ไม่ใช่ไม่ได้นะได้แล้วการที่บอกว่าได้เนี่ยจะทำยังไงก็คือรู้แจ้งขันห้าเท่านั้นเองแล้วก็ถอดถอนอุปทานขันห้าซะทุกอย่างก็ไปตามแผนหมดเลยจลิตเราจะนิ่งตลอดเลยได้นิ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายเลย ไม่ใช่นิ่งวันเดียวสองวันไม่มีมาตรฐานเดียวเท่านั้นนั่นคือพระยาเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นฉะนั่งพระยาเจ้ากับเราต่างกันยังฟ้ากับดินพระยาเจ้าก็คือจิตของท่านไม่ไปไม่มาเลยไม่ใช่ไม่ไปไม่มาตอนนั่งสมาธินะไม่ใช่นะทุกเวลาของชีวิตดีกว่าไม่จำเป็นต้องนั่งหรือไม่นั่งก็ได้มันไม่อยู่ที่นั่งหรือไม่นั่งมันอยู่ที่ว่าจิตของเราอยู่ไหน หรือบางคนนั่งสมาธิตัวตรงนิ่งแต่ใจไม่เคยอยู่เลยไปไหนไปรู้มันนั่งมันนิ่งแต่กายใจไม่นิ่งแต่พระยาเจ้าเนี่ยกายจะไม่นิ่งก็ตามจะนิ่งก็ตามแต่ใจนิ่งอย่างเดียวคือใจต้องนิ่งกายจะขยุกขยิกหรือใจจะเดินจะจะอะไรอยู่ไม่มีไ ม, ไม่ไม่ใช่เครื่องวัดเครื่องวัดก็คือใจต้องนิ่งนั่นเองทีนี้ว่าเรามาถึงว่าทายังไงเราจะ รู้แจ้งกันห้าแล้วรู้แจ้งขันห้าเนี่ยเพื่อประโยชน์ก็คือว่าให้จิตกับโลกขาดกันอารมณ์มันขาดกันการปฏิบัติก็คือสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยการปฏิบัติไม่เหมือนกันทําสมาธิที่เราทํามาเลยคนละอย่างกันการทําสมาธิของเรานั้นเอาจิตดูที่จิตแต่การเจริญสติปัฏฐานสิทธิสี่ อาจิตดูที่กายมันคนละทางนักปฏิบัติจึงไม่รู้ทางเส้นนี้ไงได้แต่ว่าทําสมาธิจิตดูตัวเองดูตัวมันเองอย่างเดียวทีนี้ฉติประฐานสี่เนี่ยท่านสอนว่าให้เห็นกายกายแล้วในกายจะมีคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมทีนี้เราต้องเห็นกายในกายก่อน นะกายในกายก่อนก็คือเห็นกายกายไหนล่ะกายแท้ๆของเรานี่เองไม่เอากายไหนกายแท้ๆของเราเนี่ยเชื่อไหมว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกที่เรานึกไม่ได้สิ่งนั้นก็คือตัวเราเองเชื่อไหมว่าในโลกนี้เนี่ยที่เรานึกไม่ได้มีสิ่งเดียวเท่านั้นคือตัวเราเองนอกนั้นนึกได้หมดเลย นึกถึงหน้าใครก็ได้นึกถึงสิ่งของบุคคลสิ่งของหรือบตตนบุคคลอะไรก็แล้วแต่เรานึกได้แต่นึกตัวเองไม่ได้สแสดงว่าการนึกไม่ได้สิ่งเดียวนั้นในโลกเนี่ยเหมือนเส้นผมเส้นเดียวที่บงังภูเขาทั้งลูกทั้งมิดเหมือนว่าการไม่เห็นแจ้งตัวเองเองบดบังโลกนี้มิดหมดเลยทำให้เราไม่รู้ความจริงอันเดียวกัน ถ้าเกิดว่าเราเห็นแจ้งตัวเราได้ปัญหาจบเลยจบเลยทีนี้ทํำยังไงเราจะเห็นแจ้งและแจ้งที่ว่าเนี่ยแจ้งอย่างไรและที่เราเห็นดูทุกวันนี้ไม่ยังไม่ใช่เลยที่แจ้งเนี่ยที่ส่องกระจกบ้างมีผมแต่งหน้าทาคิ้วบ้างยังไม่เห็นหรือหรือว่าลืมตาดูแข้งดูขาเรายยังไม่เห็นหรืออย่างที่เราเห็นนั้นคือตาเนื้อ ตาในมันไม่เห็นแสดงว่าบุคคลคนหนึ่งมีสองตาก็คือตาเนื้อกับตาไหนก็คือตาใจนั่นเองทีงนี้ถ้าเกิดว่าตานอกตาเนื้อในมีปัญหาปัญหาถ้าถ้านอกมีปัญหาไม่ยากหรอกทุกคนนั่งหลับตาทุกคนก็ต้องสงบทีเพราะว่าตานอกหลับแล้วนี่จิตมันจะไปไหนได้ล่ะ แต่ทุกคนบอกว่านั่งหลับตาแล้วก็ยังไม่แล้วนะทำไมอะ่ะเอา้าหลับตาแล้วมันก็จิตก็ไม่ไปไหนแล้วเนี่ยมันไปมันไปไหนมันไปตาไหนเข้าใจไหมตาในมันไม่ปิดมันปิดตานอกเฉยๆฉะนั้นตานอกเนี่ยถ้ามีปัญหา ก, ก็หลับตาก็จบแต่ทีนี้หลับตาแล้วไม่จบเนี่ยมันมีปัญหาที่ตาในตาในนั่นเองไม่เคยเห็นตัวเองเลยแต่ตานอกเห็น จึงไม่มีผลอะไรเลยตานอกเห็นก็เห็นไปเถอะตาไหนไม่เห็นเสอย่างค่าปิดเจ้าได้แน่นอนปิดความลับของโลกนั่นเองทีนี้ที่บอกว่าไม่เห็นก็คือไม่เห็นตาไหนลองหลับตาดูสิแล้วก็นึกถึงตัวเองว่าเราจะเห็นไหมลองดนๆนี้ก็เลยก็ได้อ่ทุกคนหลับตาแล้วก็นึกถึงว่านึกอะไรก็ได้ตัวเราแต่ขอให้เป็นตัวเรานั้นนึกแข้งนึกขาก็ได้นึกหน้ายากก็นึกแข้งขาก็ได้นึกแขนนึกอะไรก็ ให้เป็นตัว เ, เราก็ได้ผมเส้นหนึ่งขนเส้นหนึ่งก็ได้เนึ้แล้วก็นึกตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นนะให้อยู่ตรงนั้นนะ <fandom> ไม่ใช่ว่าอยู่ไหนไปรู้รูภาพลอยๆอยู่ไม่ได้นะนึกตัวเราเนี่ยให้เห็นไม่ใช่ให้รู้นะมันมีรู้กับเห็นรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราอยู่ในเยื่อบดใดอันนั้นมีอันนั้นรู้นะแต่ให้เห็นรู้ไม่เอารู้ไม่เอาให้เห็นลองดูดีว่าจะเห็นไหมเห็นนะรู้ไม่เอารู้ทุกคนมีอยู่แล้ว ธรรมชาติรู้มันมีทุกคนแต่ธรรมชาติเห็นมีไหมลองลองนึกดูมืดใช่ไหมรู้ว่านั่งนี่รู้สึกอยู่รู้อันนั้นมีนะแต่เห็นไม่มีนี่เราสังเกตไ้ว่ารู้กับเห็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนทำไมคนตาบอดไปไหนคําไปเอาไม่เท้าคําไปเพราะเขามีแต่แต่รู้ เขาไม่มีตัวเห็นฉะนั้นคนตาบอดเนี่ยเขามีธาตุรู้แต่ธาตุเห็นเขาไม่มีเพราะอะไรธาตุเห็นเขาตาเนี่ยเขาไม่ดีตาบอดฉะนั้นทําไมคนตาดีทําไมไม่คําไปนะก็ตาเขาเห็นดีเขามีเห็นเนี่ยเขาไม่มีแล้วรู้เขามีไม้ยรู้เขาก็มีเห็นเขาก็มีเขาไม่จําเป็นว่าจะต้องคําไปเขาเดินไปก็สําเร็จประโยชน์แล้วเขาเอาเห็นนํา แต่คนตาบอดเอารู้นําเพราะอะไรเพราะธรรมชาติเห็นเขาไม่มีเฉะนั้นรู้สิบรู้ไม่เท่าตาเห็นทีนี้เรามีแต่รู้เนะ น, นี่ยทีนี้เราไม่เห็นเนะ่ยเราก็เหมือนคนตาบอดบอดทางธรรมนะบอดทางธรรมเทา่ากับว่าเรามานั่งหลับตาแลนึกตัวเองเนี่ยไม่เห็นเลยแสดงมีแต่รู้ก็คือคนตาบอดทางธรรม เราเคยได้ยินไหมว่าคนบรรลุธรรมอย่างเช่นพร ะ, ะอัญญากตัญญะเนี่ยฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมนะจะมีคําหนึ่งเลยว่าดวงตาเห็นธรรมจากคุ้งอุตรปาธิเคยได้ยินไหมดวงตาเห็นธรรมอ้าวพระอัญญากตณัญญะไม่มีดวงตาหรือมีแต่ดวงตาเนื้อดวงตาในยังไม่เปิดไปเปิดที่อิสิปะรณะปลุคัทหายวันนั่นเองที่ปฐมเทศนานั่นเอง ดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วจักหูได้เกิดขึ้นแล้วจักหุงอุตตปาธิยานังได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วเอแ ด, น, ดนได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตปาดิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วเพิ่งเกิดตอนนั้นเองฉะนั้นเราก็เหมือนกันว่าตาของเราบอดทางธรรมจักหูนั้นยังไม่เกิดเลยทำยังไงเราจะให้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาการเห็นขึ้นมานั้นเป็นสนัญลักของการบรรลุโสดาบันเลยนะ ก็คือสักกายยทิฏฐิเลยสแสดงว่าพระสุรบานวัดด้วยที่ดวงตาเห็นธรรมนั่นเองแต่ดวงตาของเรามืดบอดจึงไม่บรรลุทีนี้เราจะทํำยังไงว่าดวงตาเราจะเห็นธรรมขึ้นมาอบลมสิอบลมนะอบลมอะไรสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ทำอย่างไรเศรษฐบันเทียนสี่เนี่ยบอกว่าพระเจ้าทั้งกล่าวว่า เมื่อก่อนในการก่อนที่เรายังไม่ ย, ไมยังไม่ตัดสรู้ยองเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ความรู้ได้เกิดขึ้นแก่ท่านว่าจงแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปข้างนอกก็คือกามวิตกพยาบาตวิตกวิหิงสาวิตกก็คือคิดไปในกามคิดไปทางพยาบาตคิดไปทางเบียดเบียนฝ่ายนี้เป็นอากุศลเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเมืผู้อื่นบ้างทั้งตนและผู้อื่น ไวเบียนทั้งสฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความไม่เป็นสมาธิเป็นไปเพื่อความไม่ตัดสู่และนิพานดังนั้นความคิดฝ่ายนี้ต้องปิดเสียเป็นอกุศลความคิดออกข้างนอกเนี่ยเป็นกามาวิตกพยาบาทวิตกวิ่งสายวิโดกนี่ปิดเสแล้วก็เปิดทางเส้นใหมายขึ้นมาก็คือคิดมาข้างในคิดมาข้างในคิดถึงใคร คิดถึงข้างนอกคิดถึงเขาคิดถึงตัวคิดข้างไหนก็คือคิดที่ก็คือคิดถึงเราคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่านั่นเองเขากับเราเลยเรื่องเรื่องนี้ก็คือมีคู่กรณีว่าคิดถึงเขาแล้วคิดถึงเราแต่ที่เขาในคิดมานานแล้วไงเป็นอาคูสนแล้วเราก็บ่น่าคิดแล้วเกินไม่ยอมหยุดก็ปิดทางเส็นนั้นซะต่อไปนี้ก็คือคิดถึงเราเราในที่นี้คืออะไรก็หัวถึงเท้านี่เอง ก็คือผมคนเล็บันหนังกระหนุกเลือเส้นเอ่นต่างๆในตัวเราทีนี้เราคิดไปเนี่ยเอาละถ้าคนนั้นจะทำความเพียร น, นะก็คือหนึ่งปิดเขาก่อนปิดเลยว่าต่อนนี้ไปเราบอกโดยว่าไม่ให้จิตเราคิดถึงไขรถ้าคิดเราจะตัดซะดึงกลับซะถึงแม้เราเจตนาว่าจะตั้งไว้ว่าไม่ให้คิดถึงไครแต่มันก็แอบไปเลยนะแต่เราก็ทำยังไงก็คอยตัดอยู่เลยนั่นเอง คิดไปเราก็ตัดแล้วก็น้อมจิตมาคิดถึงตัวเองอันนี้มันมีปัญหาว่าตัวเองก็ยังไม่เห็นตัวเองเลยก็จะคิดยังไงดีมีแง่มุมอะไรที่จะให้คิดพระเจ้าก็บอกว่าเคยเห็นคนอื่นไหมคนอื่นตายนะ่ะเป็นยังไงหรือสลีละมนุษย์ของเรานะ่ะตับไตเส้นพุงอาการสามสิบสอที่เราไปเห็นโรงพยาบาลก็ดีเห็นในต่างที่ต่างๆก็ดีในอุบัติเหตุในศพคนตายเพราะคนจ น, น, นอะไรก็แล้วแต่มนุษย์นี้ประกอบเพื่ออะไร เราจำคนอื่นมาก่อนเขาเรียกว่าสัญญามอรณนาสัญญาเห็นคนอื่นตายอสุพัสัญญาเห็นคนอื่นเน่าเปนนื่อยอานิจจาสัญญาถึงความเห็นไม่เที่ยงคนอื่นว่าเกิดแก่เจ็บตายสัญญามีเยอะแยะที่ในพระไตรปิฎกในพระสูตรมากมายแต่นักปฏิบัติไม่เคยรู้จักไม่เคยมานำมาใช้เพราะว่าอะไรเพราะไม่มีใครสอนนะก็ไม่มีใครสอนวิธีนี้ ก็เลยว่าสัญญาเหล่านั้นสัญญาแปลว่าจําได้หมายรู้หมายว่าเราเคยจําว่าเราเคยเห็นคนตายแบบนี้น้ําแบบนั้นทําไมเราต้องนึกถึงตายตายเพราะว่าความตายเป็นของที่เขาเรียกบอกว่าเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายตัวเราเนี่ยนะจิตเรามีอุปทานอย่างมันเพราะมันหลักฉะนั้นเราจะต้องนึกงแง่ว่ามันจะต้องตายนึกถึงความเบื่อหน่ายก็ต้องคิดถึงแง่ลักษณะไม่เที่ยงเป็นส่วนใหญ่ท่านดึงบอกว่า ในบรรดาบรรดาสัญญาทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะสัญญาเป็นเลิศก็ ค, คือความไม่เที่ยงฉะนั้นความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นหัวใจของการพิจนารณาเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยเราสมมติว่าเราไปเห็นคนอื่นตายในหนังสือก็ดีในหนังสือลวงตากายกตาสติก็ดีหรือในหนังสือจะมามาวันนี้ก็ดีว่าจะแจกนะจำภาพไว้นึกถึงภาพเห็นภาพนี้ก็จาไว้แล้วก็ สมมติตัวเองเน่เป็นเหมือนภาพนั้นอย่าเอาภาพนั้นมาทั้งหมดไม่ได้นะสมมติว่าเราไปเห็นนังภาพในหนังสือเนี่ยภาพชําแหละ อ, อกจัาแหละท้องแล้วเราก็จำภาพนั้นก็มาเปิดแล้วก็หลับหลับหลับตากันนึกถึงภาพนั้นลอยอยู่เนี่ยมันก็เป็นภาพเขาอยู่ดีไม่ใช่ภาพเราทีนี้จุดประสงค์ของเราก็คืออยากจะเห็นภาพเราแต่มันไม่เห็น ก็เลยยืมตัวอย่างเข้ามาฉะนั้นเวลานักปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาแค่ตัวอย่างจะเอามาทั้งหมดเอาตัวอย่างเอาไนยะเอาอุบายเข้าใจไหมเวลาทำเนี่ยเราต้องการเห็นตัวเองก็เห็นตัวเองเนี่ยแต่ด้วยอุบายนั้นๆที่เราจํามานั่นเองฉะนั้นบางคนว่าก็เห็นรูปศพแล้วกลัวไม่กล้านึกถึงเราไม่ต้องกลัวเวลากลัวเนี่ยเวลานึกเนี่ยเรานึกตัวเองเป็นศพเลย มันจะได้ไม่กลัวเพราะยังไงตัวเองก็เป็นตัวเองเขาก็แก้ให้อยู่แล้วว่าไม่ต้องนึกเป็นคนตายคนอื่นนะให้ตัวเองเป็นคนตายฉะนั้นตัวเองกลัวตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้นะยังไงก็เป็นศพก็ยังไงก็เป็นตัวเองอะ่ะแต่ถ้าศพอื่นเรากลัวท่านก็ไม่ให้ทําหรอกอย่างนั้นก็โชคดีอยู่แล้วเราก็เอาตัวเราเนี่ยเป็นศพซะเลยกลัวก็แค่นี้ไม่กลัวก็แค่นี้เดียวมันก็หายกลัวนะ ยังไงก็เป็นตัวเองถ้า ต, ตัวเองเนี่ยยังไงก็จะต้องเป็นศพแน่นอนในอนาคตฉังนั้นเรานึกตรงนี้เนี่ยเราเอาอนาคตมาประลบนะแต่อนาคตเนี่ยไม่มีใครเลี่ยงได้เลยฉะนั้นเท่ากับว่าถึงจะไม่จริงวันนี้แต่ก็จริงในอนาคตก็ปัญญาก็ยอมรับอยู่แล้วสมมุติว่าคนนั้นนึกถึงตัวเองจะเป็นซากศพนานไปนะเดินไปก็อ่าซากศพเดินนะซากศพแบบไหนแบบที่เราเห็นหนังสือนั่นเอง อะไรก็ได้จํามานั่งก็ดีนอนก็ดีเดินยืนก็ดีจะทําอะไรก็แล้วแต่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยให้เห็นตัวเองเป็นแท้ศบที่อุบายนั้นๆที่เราหยิบมาไม่จําเป็นต้องนั่งวิธีนี้ไม่ต้องนั่งสมาธินะวิธีนี้เขาเรียกว่าเจริญสติแต่ที่นั่งคือเจริญสมาธิคนละอย่างกันนะเดินก็ทํานั่งก็ทํานอนก็ทําจิตหลุดก็ตั้งใหม่จิตลืมก็ตั้งใหม่จิตลืมก็ตั้งใหม่ลืมแล้วตั้งใหม่อยู่เลย แล้วก็รักษาภาพนั้นอย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนจะให้หายให้พินโยภาพอยู่พินโยภาพแปลว่าอะไรให้ภาพได้มั่นคองอยู่ให้ปรากฏอยู่นั่นเองทีนี้จิตเราเนี่ยเริ่มจะเห็นตัวเองขึ้นมาบ้างแล้วด้วยอุบายที่แรกก็ไม่เห็นจริงก็เห็นอุบายก่อนต่อมาต่อมาต่อมาเนี่ยก็อุบายนั่นแหละทำให้จิตเราโน้มเอียงไปทางเนคขมมากขึ้นเน่นโน้มเอียงไปทางไม่พยาบาท น้องเบี่ยงไปทางไม่เบียดเบียนจิตนี้จะเป็นฝ่ายกุศลทําไปนําไปบางถึงบางคนถึงร้องไห้ออกมาว่าโอ้เราไม่มีอะไรซลดสังเวชร้องไห้ด้ะยนะนมาเชื่อแล้วเกิดว่าทุกคนต้องร้องไห้เพราะไม่เคยเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นแล้วก็สติปัญญาและสมาธิก็จะก่อตัวมากขึ้นมากขึ้นสมาธิเกิดขึ้นเองแต่มันคนละสมาธิอย่างที่เราทํากันอันนั้นเขาเรียกฌานแต่อันนี้เขาเรียกว่าญาณ สมาี่ยาเนี่ยไม่มีใครรู้เกิดจากสติปัฏฐานสีท่ทำไปทาไปทั้งอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนทั้งวันคืนโดยทีค่คนรอบข้างเราไม่รู้เราทําอะไรก็เห็นก็เห็นมันเดิ น, ม, นมันนั่งอยู่ธรรมดานี่แต่เมื่อก่อนเราก็แบบนี้แหละแต่เราเอาจิตไปอื่นไงแต่ตอนเนี้ยเราก็อย่างนี้แหละแต่จิตอยู่ในตัวเองเท่านั้นเองคนภายนอกจะไม่รู้อาการอะไรเลยของเราฉะนั้นโชคดีที่ว่าทําไปเหมือนไม่ทําเหมือนไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรแต่เมื่อก่อนนะทําไปแบบนี้แหละแต่จิตไปคิดคนอื่น เปลี่ยนที่จิตแต่ไม่เปลี่ยนที่อากับกิริยาของกายของกายเลยเท่า น, นั้นเองอย่างนี้เขาเรียกสติปานสีแต่ให้ทาต่อเนื่องเป็นวันเป็นคืนทะลุวันทะลุะลคืนหลับก็ทําตื่นก็ทําหลับก็เหมือนกับตัวเองตาอยู่ในลงไปด้วยอุบายอย่างนี้นานก็้านานเข้าเตาจิตเราถูกอบรมอยู่นี้มากเข้าใหม่มากเข้าไปมากเข้าไปมากเข้าไ ป, าาไปที่ไม่เห็นตัวเองเลยก็เริ่มเห็นขึ้นมาทีละนิดีนด้ด้วยอยุบายเแบบ น, น, น, ละละ น, นี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น สว่างขึ้นสว่างขึ้นจนทั่วจากจุดใดจุดหนึ่งทั่วร่างกายทั้งภายนอกทั้งภายในตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้าเหลืองเห็นตัวเองต่อไปเห็นทั้งหัวถึงเท้าเลยหมดเลยก็เมื่อเห็นมากมากก็รักษาความเห็นไว้อย่าให้หลุดจะให้หายต่อไปก็เกิดการเบื่อหน่ายเราเห็นอย่างนั้นทั้งวันความเห็นจะไม่หยุดเลยนะจะไม่เคยดับเลยวันเต็มเต็มเลยวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอย่าให้ดับ ดับก็ตั้งใหม่ดับก็ตั้งใหม่ดับก็ตั้งใหม่ต่อไปจะไม่หายแล้วก็จะไม่หายตลอดชีวิตเลยเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นอย่างนั้นก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหนายลัวเก่งด้ยตัวเองว่าตอนมีชีวิตนี้ก็สปกปรกเหลือเกินไหลเข้าไหลออกได้สิ่งปฏิกูลยามตายไปนี้ก็สกปรกมากจนรีบเอาไปผังเอาไปฝังไปทำอะไรซะพวกปิดเพื่อซ่อนเลนมาให้คนอื่นเห็นความอุ จ, จัด มนุษย์เราไม่มีอะไรมีแต่ความปฏิกูลอย่างยิ่งยามเป็นอยู่นี้ยังไม่ตายก็มีปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เนืองนิดเกิดการเบื่อหน่ายตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองได้เท่าไรก็เบื่อหน่ายโลกได้เท่านั้นเบื่อหน่ายโลกเท่าไหร่ก็เบื่อหญิงเบื่อชายความเป็นหญิงเป็นชายก็ลดลงลดลงลดลงลาคะก็ล ด, ลล ด, ลดโทสะก็ลดโหหะก็ลดลดลงไปลดไปดูไ ป, ด, ไปดูมาจะหมดแล้วเนี่ยทาไปทามา เมื่อเราเห็นระดับหนึ่งเนี่ยถึงหัวถึงเท้าปรากฏเห็นกายแจ้งบทแล้วไม่หายไปไหนแล้วก็ไม่หลุดไปไหนเลยคนนั้นก็คือพระโสดาบันนะเมื่อคนนั้นถึงพระโสดาบันได้ก็คือจิตจะไม่รั่วเลยตลอดชีวิตจิตรั่วทั้งหลายเป็นนรกอยู่จิตไม่รั่วก็คือไม่ได้รกและจิตที่ไม่รั่วเนี่ยทําไงไม่รั่วก็เพราะเขาเข้าใจว่าตัวเราไม่เดียงก็ไม่อยู่จะคิดอะไรเบื่อเบื่อในการที่จะไปทั้งหมดจิตก็เลยปิดตัวเองลง เด่มเมื่อก่อนเราปิดเขาเขาก็ดันเราเราก็ดันเขามันต่อต่อสู้กันอนะ่ะมันถึงเป็นสงครามที่ไม่หยุดย่นไม่มีที่ยุติกำลังเราก็น้อยนิดกำลังเขาก็ใหญ่โตเหลือเกินดันไม่อยู่แต่ตอนนี้เขาลดตัวเองลงลดกระแสตัวเองลงเขาเบื่อของเขาเองเบื่อตัวเองได้เท่าใดก็เบื่อโลกเท่านั้นเบื่อโลกเท่าไรก็คลายอารมณ์ของโลกเท่านั้นคลายอารมณ์เท่าไร ก็คายความเป็นหญิงเป็นชายคายโลค ะ, ข, ะขายโทสะคายโมหะออกไปออกไปออกไปทําไปทํามาจิตหยุดเลยจิตบอกว่าทำไมหยุดเบื่อข้าเบื่อไปหมดเลยเบื่อตัวเองเบื่อโลกแล้วก็ไม่อยากจะคิดอะไรตอนนี้เราไม่กดดันกับจิตเลยจิตเบื่อเองแล้วก็สมัครใจเองที่จะหยุดเมื่อก่อนนะบอกหยุดนะถ้าไม่หยุดหรอกข้าจะไปเขาไม่สมัครใจทําให้เกิดการต่อสู้กับเราเนี่ยอย่างรุนแรงแต่ตอนนี้ ไม่ต่อสู้อะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าหยุดแบบเขาเรียกการเข้าใจของจิตมากกว่าแต่เมื่อก่อนหยุดแบบบังคับแต่ตอนนี้หยุดแบบยอมรับบังคับก็ยอมรับต่างกันนะเมื่อเราพิจารณาไปพิจารณาไปจนในที่สุดแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นเราเราก็จะไปถึงพระนาคามีจิตจิตของเราไม่อยู่ในโลกใบนี้เลย แต่เราก็ยังไม่ตายนะปรากฏว่าจิตนี่เบื่อตัวเห็นตัวเองก็เบื่อตัวแล้วก็เบื่อตัวก็เบื่อตาเบื่อตัวก็เบื่อหูเบื่อจมูกเบื่อลิ้นเบื่อกายเบื่อใจเบื่อความคิดทั้งหมดเบื่อแล้วก็ปิดกั้นมาอยากให้ไปไหนปรากฏว่าคนนั้นไม่ใช่ตาไม่ใช่หูไม่ใช่จมูกไม่ใช่ลิ้นไม่ใช่กายไม่ใช่ใจใจไม่ออกเลยลูปภาพคนอื่นหายเกี้ยงมีแต่ภาพตัวเองขึ้นมาอย่างที่บอกว่าหลับตาแล้วทําไมจิตไม่สงบ เห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน้นเหน้นเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นตัวเองแต่ตอนนี้เห็นตัวเองเต็มร้อยคนอื่นดับหมดเลยนึกถึงใครไม่ออกแล้วก็ไม่อยากจะนึกด้วยวันวันหนึ่งเห็นแต่ตัวเองทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติไม่เคยเอาภาพของใครมาตั้งไว้ในหัวใจเลยถามว่าจิตคนนั้นอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในโลกแต่จิตไม่อยู่ในโลกเข้าใจไหถามว่าจิตอยู่แค่หัวเท้าอ่ะ ในโลกก็หมายถึงไปทางตาหูจมูกลิ้นใจอย่างที่คนโลกทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าไปโลกแสดงว่าวันวันหน 1, ึ่งยี่สิบี่ชั่วโมงจิตไม่เคยออกเลยตามีอยู่ก็ไม่ออกตาหูมีอยู่แต่ตาก็ลืมอยู่นะหูก็ได้ยินอยู่นะแต่ไม่ออกคือเมื่อก่อนตาไปจิตไปหูไปจิตไปแต่ตอนนี้ตาไปจิตไม่ไปหูไปจิตไม่ไปแยกทางเดินกันเมื่อเป็นอย่างนี้วิญญาณหกก็ดับเมื่อวิญญาณดับ นามรูปย่อไม่มีเพราะวิญญาณหกมีในสังขารเพราะสังขารที่ขิดปรุงแต่งมันมีสังขารมีเพราะอาวิชชาความไม่รู้แจ้งในญาติสัตว์มันมีฉะนั้นทําลายตั้งแต่อวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับฉะนั้นคนคนนี้มีอยู่ในโลกแต่วิญญาณของคนนี้ไม่มีคนนั้นเป็นชาติสุดท้ายก็คือเป็นพระละหันแน่นอนฉะนั้นพระละหัน ถ้แต่โสดาลขึ้นไปถึงพระลานาจิตไม่อยู่ในโลกบนี้เลยแต่ตัวยังอยู่นะอยู่กับเขานี่แหละแต่ว่าจิตไม่รั่วเลยเราก็ไม่ต้องคุมไม่ต้องคุมจิตเพราะวิธีนี้คือสติปารานสี่เป็นมหาสติที่จะคุมอํานาจทั้งหมดได้อยู่ในกํำมืออย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารู้แจ้งตัวเราเนี่ยก็คือรู้แจ้งขันห่าว่ารูปอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดเลยทำให้มีชีวิตเหมือนคนตายแล้ว จิตไม่ได้ไปไหนจิตเลิกรลากระโลกปราก็ว่าจิตกับโลกก็ขาดกันว่าต่างคนต่างไปนะข้าก็ไม่ไปหาเจ้าแล้วนะเจ้าจะไปไหนก็ช่างเถอะจิตเราก็เป็นอันว่าล่ำลาล่ำลาโลกก็หมายถึงล่ำลาตาหูจมูกเล่นกาใจจิตสงบระงับอย่างนี้ก็คือจิตหลุดโลกหลุดจากอารมณ์เราไม่จะไปต้องนั่งสมาธิหรือไม่นั่งก็ได้จิตลั่วไม่มี จิตเพอไม่มีหลังจากนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้พิจารณาลางกายไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยท่านก็ให้ท่องสอนว่าต่อไปนี้เนี่ยพิจารณากายจบแล้วนะละราคะได้โทสะได้ก็คือพระอนาคามีจิตไม่มีรั่วแล้วนะต่อไปเธอจะทําฌานก็ทำํำฉะนั้นหลังจากนั้นก็พุทธเจ้าก็สอนให้ทําฌานว่าพิ ส, งสงุสงัดจักรามแล้วสัพพจากอังคุศลแล้วยังปฐมฌานให้เกิดทุติตติจะทุจฌาน จนถึงอะลู ป, ประชันก็ได้หลังจากนั้นทําฌานให้ชำนิชํานานก็น้อมจิตไปทางวิชาศาสตร์ก็คือระลึกชาติได้มากมายเหมือนเราขึ้นบ้านหลังโน้นลงบ้านหลังนี้ขึ้นบ้านหลังนี้ลงบ้านหลังนี้ตลอดไมร่รู้กี่กี่ภพกี่ชาติเขาเรียกเห็นด้วยทิปประจักรุต่อมาก็เห็นคนอื่นด้วยเกิดตายอย่างไรก็เรียกว่าจัตูปัจจัย หลังจากนั้นเห็นแต่ตัวเองกับผู้อื่นก็ในลักษณะเดียกันว่าจิตที่ท่องเที่ยวนีเองทำให้เกิดเป็นภพชาติเพราะมีวิญญาณเหล่านี้มีอยู่ก็เบื่อหน่ายไปหมดเลยก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าวิชาสามหลังจากได้วิชาสามได้เนี่ยของแถมเขาเรียกว่าคุ ณ, ณพิเศษก็คืออภิญญาหกวิโมกข์แปดปฏิสัมพิทาสีก็ตามมาอันนี้สมบูรณ์เลยก็ผือพระหันเต็มร้อยอันนี้เส้นทางเส้นทางของการไป ไปสู่ความเป็นพระหรหลานไปอย่างนี้แต่เผอิญเวลามันน้อยไปหน่อยเนาะบีบคอขวาไม่แคบลงเอาเดือนไหนเนี่ยเดือนโน้นกับเดือนนี้เนี่ยนาฬิกานะเท่ากันไหมอา่าเท่ากันไว้อันนี้ตีก่อนเนะาะตีก่อนถ้าคนไม่ได้ไม่เห็นเข้าใจไหม่าเจ้าโมงเดียว คือสติปฐานสี่เนี่ยจิตไม่มีร่วแล้วไม่ร่ววันนี้ถ้าเกิดว่าบรรลุธรรมวันนี้นะถ้าคนนี้อายุอีกร้อยปีค่อยตายรนะ้อยปีไม่มีร่วอีกเลยเชื่อไหมว่ายี่สิบปีชั่วโมงในร่วนาทีหนึ่งยังไม่มีเลยถามว่าคุมจิตไหมไม่ได้คุมเพราะอะไรจิตมันเบื่อไล่ก็ไม่ไหลด้วยนะบเบื่อโลกเบื่อสังขานนี้ เห็นตัวเองไปซักศบทั้งวั น, นแต่ความเห็นที่ไม่เคยดับเลยนะไม่เคยดับแม้แต่นาทีเดียวแม้แต่วินาทีเดียวมันเป็นสักขีพยานให้เราเห็นว่าเรามีแค่นี้จะเอาอะไรจิตก็เลยจำนวนวาข้างนั้นก็จำนวนต่อเหตุผลค้าไม่เอาอะไรแล้วนี่คือทางพระยะเจ้านะแต่เราทำมันไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะอ้าววันนี้นั่งสมาธินะฉวดบนทาวัดเสร็จเอามานั่งไล่จับลิงกันนะ จับได้บ้างไม่ได้บ้างออ้าวหมดเวลาแล้ววันนี้เกาหัวก่อนไม่ได้เดี๋ยวตอนวั น, ว, นวันหลังทำวัดชุมวันอ้าวไล่จับลิงจับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ปล่อยลิงไปเดี๋ยวมันได้จับใหม่ปล่อยลิงเข้าป่าปล่อยป่าลงน้ำแล้วก็จับใหม่แล้วก็ปล่อยใหม่ก็จับใหม่ถามว่าทำมาสิบปีเนี่ยได้อะไรไม่ได้อะไร <c oughs> ทำอย่างเดิมนับหนึ่งใหม่อยู่เลยก็ระบบเราอย่างนั้นอ่ะมันไม่ถูก แ้วทำไมไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีคนสอนน่ะใช่ไหมโยมเคยได้ยินใครสอนไหมล่ะพระสอนก็ก็ต่างคนก็ต่างมีึคือตรรมาก็ไม่รู้หน้าตรมาก็สอนแบบตรรมาแต่พระอื่นก็ท่านก็สอนแบบภูมทิทําภูมิรู้ของท่านสอนอย่างไงท่านรู้อย่างไรท่านก็สอนแต่ตรรมาก็สอนแบบนี้มันก็เลยอยู่ที่ว่าคนรู้คนสอนเนี่ยจะใช้เทคนิคยังไงให้คนฟังได้เข้าใจ มันอยู่ตรงนี้ตัวแปรสําคัญก็คือคนสอนบุคลากรคนสอนเนี่ยจะต้องพร้อมศับอันนี้เราก็ไปกระเกงใครไม่ได้นะก็จะสอนยังไงยังไงถ้าสอนโยมก็ไปได้อันนี้ไม่มีใครสอนเนี่ยหรือสอนไม่สอนอะไรก็ไม่รู้ไปไหนเลยเนี่ยมันก็ไปเล ย, เลยก็สําคัญอยู่ที่คนสอนนะก็ยังไม่โทษคนฟังหรอกว่าคนสอนเนี่ยหายากหายาก เหมดเนาะเวลาก็หมดซะแล้วมีอะไรสงสัยไหมเล็กน้อยคอาจริงเราพูดเรื่องนี้เนี่ยย่อยาวเคยใครกคไปสังฆทานบ้างล่ะตะมาเทศตีสามสี่ห้าชั่วโมงนั่นตีัแต่ห้าทุ่มถึงตีสามครึ่งแต่ตตก็ดึกเหลือเกินนะมันยาวยาวก็ได้ละเอียดก็ ย่อก็ต้องย่อสั้นก็ต้องย่อสรุปแล้วก็คือจิตของเราเนี้ยทําได้นะสงบท้าววรได้เลยดันั้นการสงบท้าววร์เนี้ยคนนั้นไม่เหมือนคนในโลกคนนั้นก็คือคนเหนือโลกนั่นเองก็คือพระยะเจ้านั่นเองพระยะเจ้าคนเหนือโลกนะเขาเรียกว่าโลกุตตะละก็คือผู้เหนือโลกนั่นเองทำที่เหนือเหนือโลกก็คือโลกุตตะละรำแต่เราเนี้เป็นโลกิยะทำก็คือทําไปตามโลก ดังนั้นจิตเนี่ยสามารถจะฝึกได้ให้เห็นแจ้งขันห้าประการเดียวจบเลยทุกอย่างจบถ้าตาบใดเราไม่เห็นขันห้าเขายอ่อไปแล้วก็คือตัวเราเองนี่เองถ้าใครเขาพูดยางไงว่าถ้าใครทำกรรมฐานไม่เห็นตัวเองไม่มีทางไม่มีทา ง, ไ ม, มทางไม่มีทางเป็นไปได้จิตนี้จะหยุดหยุดก็ได้แค่แป๊บๆก็ไปแถ้าเห็นแจ้งตัวเองหยุดแน่ไม่มีไปแน่นอน หยุดแล้วหยุดเลยไม่ต้องมาแล้วทําแล้วทําเลยไม่ต้องทําอีกผลนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่เปลี่ยนเลยไม่เสื่อมเลยไม่รั่วเลยนั่นเองไม่ใช่ว่าทําแล้วต่มาหลังมาทําอีกไม่ไม่ทำแล้วจบแล้วจบเลยไม่มีกิจอะไรจะทําต่อแล้วก็ไม่เสื่อมเลยตลอดชีวิตอัศจรรย์นะจิตนี้ก็แปลกดิ้นนะเวลาดิ้นก็ดิ้นเวลาไปก็ไปแต่เวลารู้ตั้งมั่นตั้งมั่นใช่จนที่ว่าไม่ไปไม่มาเลย เรานึกไม่ถึงว่าจิตมันจะเป็นขนาดนั้นได้แต่ก็ได้จริงๆมันเขาว่าหินผาเนี่ยเขาว่าแข็งแกร่งมั่นคงจิตยิ่งกว่านั้นอีกถ้าฝึกมาได้หินผายังมีการผูกก่อนแต่จิตไม่เคยผูกก่อนเลยเราไม่นึกว่าจิตมันจะมั่นคงยิ่งกว่าหินผาอีกนะแล้วถ้าใครพูดก็อาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าไปถึงตัวเองเชื่อได้จริงๆว่ามันมั่นคงจริงๆดูๆเราไม่น่ามั่นคงเลยนะแต่ฟันคงได้ ก็แปลกดีนะเขาเรียกหลุดพ้นหลุดพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากอารมณ์อารมณ์ก็หมดหมดเพราะความเบื่อหน่ายนีก็ปิดบัญชีเลยจิตเราจะไม่กลับไปสู่โลกอีกเลยคนนั้นก็คือถาวร น, นั่นเองนะเราจบการบรรยายเพียงแท่นี้เนาะ